ต่อไปนะครับยานะของพระผู้มีพระภาคนะครับที่พระองค์มีอีกก็คือเวสารัชยานสี่หรือจตุเวสารัชยานสี่นะครับรนน ใ, นในจตุเวสารัชยานสี่นี่นะครับคือสัมมาสัมพุทธทปฏิญญานี้เป็นข้อแรกก่อนนะครับที่บอกว่าธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่ายยะเนี่ยนะครับข้อควรแนะนำทั้งหมดหรือควรรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ พระผู้มีพระภาคทรงรู้แล้วทรงเห็นแล้วทรงตรัสรู้เฉพาะแล้วโดยอาการทั้งปวงนะครับคือพระองค์ได้รู้ยิ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนี่พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิง่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้พระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยธรรมะที่ควรละ ธรรมะที yeah. ่ควรทําให้แจ mm. ้งพระองค์ก็ตรัสร yes. ู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งธรรมะที่ควรเจริญพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วโดยเป็นธรรมะที่ควรเจริญนะครับคือจําะห้าคำนะง่ายดีคืออภินยญยธรรมปริญยญาธรรมปหาตปฏธรรมสัชิกาตปฏธรรมแล้วก็ภาเวตปฏธรรมเนี่ยนะครับพระองค์เชี่ยวชาญรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะ เพราะผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นสมณะก็ตามพราหมณ์ก็ตามเทวดาก็ตามมารก็ตามพรหมก็ตามไม่สามารถที่จะคัดค้านพระองค์โดยชอบธรรมว่าพระองค์เนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะชื่อนี้เลยนะครับไม่มีใครไปบอกโอ้โหนี่ยังนะอภินญญาธรรมท่านยังไม่ทําให้แจ้งนะปรินญยยาญธรรมเนี่ยท่านก็ยังทําไม่หมดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไม่มีใครไปคัดค้านพระองค์แบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้น อภิญยยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมสัจจิกาตปรธรรมภาเวตปธรรมเนี่นะครับห้าอย่างนี่นะที่จริงแล้วผู้ที่ศึกษาปฏิสัมพิทาเนี่ยอยู่ในญาณนะข้อที่หนึ่งนะครับเชื่อว่าสุตมยะยานนะครับอยู่ในประเภทสุตมะยะยานต้องผ่านอันนี้ก่อนนะครับว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งที่ว่าอภิญยยธรรมนี่ได้แก่อะไรบ้างครับก็มาแบ่งประเภทธรรมหนึ่งควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรมสองควรรู้ยิ่งได้แก่ธรรมสามควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับ ทำสี่ควรรู้ยิ่งได้แก่ทำห้าควรรู้ยิ่งได้แก่ทำหกทำเจ็ดทำแปดทำเก้าทำส10ควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับทำทั้งปวงควรรู้ยิ่งได้แก่นะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับทำมาหนึ่ควรรู้ยิ่งได้แก่สัพเพสตาหาติทิกาทำสองที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ธาตุสองคือสังคตธาตุอสังคตธาตุไม่ใช่ครับทำสามที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ธาตุสามเช่นนิรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธาตุเป็นต้นนะครับ ทรสี่ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อริยสัจ4ธรรมหที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิมุตตายตนะหต mm ุเหตงวิมุตห5ธทรม6ที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อนุตริยาหนะครับ oh. ทเจที่ควรรู้ยิ่งได้แก่นิทสาวัตุ7จ็นะครับ mm hmm. ทแปดที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อภิพายาตนะ8ธดทม9้าที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อนุปภาพวิหารสมาบัติก้าทมาสิบที่ควรรู้ยิ่งได้แก่ นิชระวัตถุ1สิบนะครับเช่นธรรมะทั้งปวงควรรู้ยิง่งได้แก่จักรคควรรู้ยิ่งรูปจกักรควิญญาณจักรคูสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจกักรคูสัมผัสเป็นปัจจัยนี้ควรรู้ยิ่งนะครับทั้ง6ทวารแล้วก็ธรรมะที่ควรรู้ยิง่งขันห้าควรรู้ยิง่งอายตนาภายใน6ควรรู้ยิง่งอายตนาภายนอกหควรรู้ยิง่งวิญญาณหควรรู้ยิง่ง ภาษาหกควรรู้ยิ่งเวทนา6ควรรู้ยิ่งสัญญา name, 6ควรรู้ย ah, ิ่งเจตนา6ควรรู um, ้ยิ่งนะครับก็รูปเช่นจักรสัมปัสชาเวทนาไงนะครับตันหา6ควรรู้ยิ่งวิตก6ควรรู้ยิ่งวิจารหกควรรู้ยิ่งธาตุหควรรู้ยิ่งอายตนา12ควรรู้ยิ่งธาติสิควรรู้ยิ่งอินทรีย์22ควรรู้ยิ่งนะครับก็ยังมีนะภพเควรรู้ยิ่งธาตุสาควรรู้ยิ่งนะครับ กสินสิบควรรู้ยิ่งสมาบัติแปดควรรู้ยิ่งอภมาญญาสี่ควรรู้ยิ่งแล้วก็ยังมีนะครับมีคืออาการสามสิบสองควรรู้ยิ่งนะครับปฏิจจสมุปบาทสิบสองควรรู้ยิ่งนะครับก็ à, ไม่ได้กล่าวไว้นะเพราะอนุสติยอยู่ในธรรมะกลุ่มอื่นนะครับไม่ใด้อยู่ในอภินัยธรรมอันนี้กลุ่มอภินญยยธรรมนะครับนี้ก็ยังไม่จบนะครับก็เอากลุ่มธรรมะเหล่านี้ไปคูณกับอริยสัจสี่เป็นต้นนะครับ ก็จะได้หลายพันในอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่หลายพันในทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับคือเอามาสักส่วนหนึ่งนะครับเอามาส่วนหนึ่งแต่ที่จริงที่พระองค์รู้อะมากกว่านี้เยอะแยะนะครับนะครับไใใม้ในกรรมมือนะครับเฉพาะ<ม>อภินโยยะของพระองค์แต่ก็สาวกทั้งหลายนี่นะครับสู่ตาไมยะยานก็ต้องไปเรียนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับครับต้องเรียน เป็นสุตตมยญาณ น, นะครับเพราะปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่ว่าชื่อว่าสุตมยญาณ น, นะครับทรงจํำมาเออนี่กลุ่มธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะอันนี้หัวข้อเดียวนะสองธรรมะที่ควรกรําหนดรู้อีกนะครับก็มาแบ่งกันว่าเออธรรมะหควรกรําหนดรู้ธรรมะสองควรกรําหนดรู้ธรรมะสามควรกรําหนดรู้ธรรมะสี่ห้าหกเจควรกรำหนดรู้ธรรมทั้งปวงควรกําหนดรู้นะธรรมหนึ่งควรกรําหนดรู้ได้แก่อันนะ ภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเชื่อว่าทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้นะครับทำสองที่ควรกำหนดรู้ได้แก่นามรูปทำสามที่ควรกำหนดรู้ได้แก่เวทนาสามทำสี่ที่ควรกำหนดรู้ได้แก่อาหารสี่ทำห้าที่ควรกำหนดรู้ได้แก่ไม่ใช่ขันห้านะครับทำหกที่ควรกาหนดรู้ได้แก่ยตนาภายในหกทำเจที่ควรกำหนดรู้ได้แก่ วิญญาณทิติเนะครับทำแปดที่ควรกําหนดรู้ได้แก่โลกกระทำแปนะครับทำเก้าที่ควรกําหนดรู้ได้แก่สัตวาวาส9ก้าทำสที่ควรกําหนดรู้ได้แก่อายตนะสินะครับสิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู้ได้แก่จักขโหรูปเป็นต้นนะครับก็ยังมาแบ่งเืองคล้ายๆกับที่กล่าวไปในภิญยนิเทศอีกนะครับก็หลายๆพันข้ออีกนั่นแหละครับแล้วก็ธรรมะที่ควรละนะครับ ธรรมะที่ควรละเนี่ยนะทำหนึ่งควรละทำสองสมสี่ห้าหกเจ็ด้าสควรละธรรมะหนึ่งควรละได้แก่นะครับอัศมิมานะนะครับทำสองที่ควรละได้แก่อวิชากับภาวะตันหาทำสามที่ควรละได้แก่ตันหา3ามทำสี่ที่ควรละได้แก่โอุคะ4ี่ทำห้าที่ควรละได้แก่นิวอนห้าทำหที่ควรละได้แก่ตันหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละได้แก่อนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละได้แก่มิชตะแปดนะครับ ทำเก้าที่ควรละได้แก่ตันหามู ล, ละกะเก้าทำสิบที่ควรละได้แก่สังโยชตสิบเป็นต้นนะครับก็ต้องมาแบ่งกันหนึ่งสองสามสีอะไรควรละบ้างนะครับทำทั้งปวงควรละได้แก่จักรครูเป็นต้นก็ควรละนีก็พิสดารหนึ่งนะครับถ้าหากว่าศึกษาแล้วก็เรียนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธคุณนะครับเวลาเราเจริญพุทธคุณต้องเอากุศลและทเหล่านี้ทั้งหมดม า, ามาเจริญครับผม ได้จเจ้าปฏิธรรมิ า, าก็ต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องเรียนติด <c oughs> ตามก็ต้องเรียนนะครับอันนถ้าจะปาถนาพ้นทุกก็ต้องเรียนนะครับนะที่จริงนะชื่อเหล่านี้ก็ไม่เยอะอะไรนะครับถ้าเราลองไล่ชื่อคนที่เรารู้จักน่าจะมากกว่ามวดธรรมเหล่านี้นะครับครับเพราะเราเสพคุณพวกเพอร์เจอร์นะครับนะพวกนาพวกนั ก, นากการเมืองพวกอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยเราน่าจะรู้จักชื่อเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเอาชื่อหนึ่งคนนะมาเป็นบทธรรมหนึ่งบทนะเราน่าจะแตกฉานธรรมะไปเยอะแล้วนะครับใช่ไหม เดรชานกาถาจังหวัดโน่นหมู่บ้านนี้ใครเป็นใครอะไรหญิงชายโอ้ถ้าจาชื่อต้นไม้ใบหญ้ามมารวมรวมเป็นคำสอนนะรู้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ทีนี้แสดงว่าเราไม่ได้คัดสรรว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระนะครับแยกไม่ออกตั้งกับต้นเลยก็เลยเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาวัตตะไปแล้วไปแล้วไปอะไครับกําไม่แล้วนะ เจตระดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ที่ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึง6กให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนะครับถ้าแล้วก็ต้องทํากิจสิบหจบแล้วก็เป็นพระอรหันต์นะครับจึงกันแล้วแล้วของเราหมายความว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะครับอย่าไปคำหนึงให้เสียใจเลยแต่ก็ควรสังเวชใจนะนะให้เป็นสังเวกขวัตถุนะโอ้เนื่องจากไม่รู้แบบนี้แล้วอวาตารจึงยาวแบบนี้นะครับ แต่ก็มีนะบางคนก็ยินดีในความไม่รู้นะครับอวิชชาเนี่ยนะผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คิดเอ้ใครจะไปยินดีในความโง่นะครับพอมาฟังธรรมแล้วพอพูดเรื่องละเอียดๆนะเออไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะนิยมอวิชชาทันทีเลยนะครับอาาวิชนานิยมจะเข้ามาทันทีเลยนะครับโดยปกติธรมรมะทั่วไปถามว่าใครอยากกัดทุกคนฟังแล้วนะดูเหมือนรังเกียจอวิชชาไปหมดนะครับลองพูดธรรมะลึกซึ้งสักสองสสูตรนะครับเสร็จแล้วก็เอ้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับว่าอแสดงว่ายินดีในอวิชานะครับ ใจมันจะเข้าสํานวนได้ไหมยิ่งเรียนยิ่งโง่ก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งต้องรู้ว่าโง่ขึ้นนะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นพานแล้วสําคัญว่าเป็นพานนั้นยังพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างนะครับนะพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะความสําคัญนั่นแหละนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่รู้อะไรเลยก็ยังนึกว่ารู้อยู่นั่นแหละนะครับตาบอดก็ยังนึกว่าสว่างอนั่นแหละก็น่าจะบอดถาววนเหมือนกัน ดันนะนะครับเพราะฉะนั้นเมื hmm> ่อกล่าวถึงว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะครับพ่อองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วนะถามว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งอย่างแค่นธรรมะหนึ่งที่ควรทําให้แจ้งได้แก่อกุปะเจโตวิมุตต์นะครับอรหัตผลนี่นะครับที่ไม่กําเริบอีกแล้วเนี่ยชื่อว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งธรรมสองที่ควรทําให้แจ้งคือวิชาและวิมุตต์นะครับธรรมสามที่ควรทําให้แจ้งได้แก่วิชาสาม ทำสี่ที่ควรทําให้แจ้งได้แก่สามันจะผล4ี่ทำห้าที่ควรทําให้แจ้งได้แก่ทำมาขันห้าทำห6ที่ควรทําให้แจ้งได้แก่อภิน ญ, ญาหนะครับทำเจ็ที่ควรทําให้แจ้งก็คือกําลังของภระีนาศเ7นะครับทำแปดที่ควรทําให้แจ้งเป็นต้นวิชา8นะแล้วก็ที่เหลือจําไม่ได้นะครับมันพวกนั้นเป็นควรที่ทําให้แจ้งหมดเลยแล้วก็ทำมาที่ควรจเจริญยังแม่งเอาว่าทำหนึ่งทสองามสี่ทำเจ็ก้าินี่นะครับควรจเจริญ ทำหนึท <icana>, ี่ควรเจริญได้แก่อะไรครับทำหนึที่ควรเจริญกายคตาสติสาตาสหคตาหมายความว่าเจริญกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสำรานนะครับทำสองที่ควรเจริญได้แก่สมถาวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญได้แก่สมาธิสามทำ4ี่ที่ควรเจริญได้แก่สติปฐาน4ี่ทำห้ที่ควรเจริญได้แก่สมาธิห้ สมาธิมีองค์5้าทำหกที่ควรเจริญได้แก่อนุสติ6กทำเ7ที่ควรเจริญได้แก่โพชฌงเจ็ดทำแ8ที่ควรเจริญได้แก่มรรคแนะครับก็ก็มีนะครับทำเก้ที่ควรเจริญได้แก่ทำเก้มีโยนิโสเป็นมูล9นะครับนั้นก็ควรเจริญนะครับแล้ก็แบ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญอีกนะครับ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอายกมาส่วนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับพระองค์รู้หมดไม่มีใครไปบอกว่าโอโ้นี่ยังไม่รู้นะพระพุทธเจ้ายังขาดความรู้ข้อนั้นข้อนี้เนี่ยไม่มีอันนี้เป็นยานอย่างหนึ่งที่ทําให้พระองค์แกวลกล้าด น, นะครับไม่มีใครคัดค้านพระองค์ได้เลยนี่ต่อไปนะครับขีนาสวะปฏิญญาว่าธรรมะอย่างใดช่างหนึ่ ง, งชื่อว่าปหาตภะธรรมที่ควรละทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละได้แล้วที่ควงต้นโพนั่นเองโดยเด็ดขาดไม่มีการเกิดขึ้นอีกเป็นธรรมดาไม่มีกรณีกิจที่ยิ่งกว่าเพื่อการละประหารปรธรรมเหล่านั้นคือต้องมาละสิ่งเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับพระองค์เนี่ยนะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละตัดขาดถอนได้เด็ดขาดซึ่งกิเลสพัน0้ามีประเภทคือเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่มีแล้วสําหรับพระองค์ะนะ หรือว่าวิปริตมนสิการหมายคือว่าการสายใจโดยวิปริตเช่นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ว่าสุขเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่มีการสายใจแบบนี้อีกแล้ ว, ลวหรือว่าอหิริกาอโนตตะปาเนี่นะครับความไม่ละอายต่อทุจริตไม่เกรงกลัวต่อทุจริตเนี่ยพระองค์ก็ละได้หมดแล้วถีนมิท่าเนะครับความเสื่องซึมความหดหู่ท้อแทบเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ละได้หมดแล้วนะครับโกธอุปนาหะความกโกรธหรือความผูกโกรธพระองค์ก็ละได้หมดแล้ว มะัขะลบลูนะครับปราศะการตีเสมอพระ อ, องค์ก็ลักกิเลสประเภทนี้หมดแล้วอิสามัชชริยะนะครับความริษยาความตนีพระ อ, องค์ก็ละหมดแล้วมายาสาไทยนะครับหัวดื้อแข็งดีเนี่ยไอ้คว้าไปความหลอกลวงความโอ้อวดนะครับหลอกลวงคุณธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนหรือว่าโอ้อวดก็ไม่มีแล้วธรรมพระสารำพระหัวดื้อแข็งดีพระ อ, องค์ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับ มานะอติมานะถือตัวถึงขนาดว่าดูหมิ่นคนอื่นพระองค์ก็ไม่มีแล้วมาทะประมาทะความเมาความประมาททั้งหลายพระองค์ก็ไม่ไม่มีแล้วละได้หมดเกลี้ยงนะครับอกุศลมูลสามก็ละหมดแล้วคือโลภะโทสะโมหะทุจริตสาคือกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ละหมดแล้ววิสมะความไม่เสมอทางกายเป็นต้นก็ละหมดแล้วสัญญา3ามเช่นการมสัญญาเป็นต้นพระองค์ก็ทรงละแล้ว มนทินสามนะครับความเศร้ามองสามประการพระองะะค์ก็ละหมดแล้ววิตกสามนะครับเช่นการมวิตตกเป็นต้นพระองค์ก็ละแล้วเครื่องเนิ่นช้าสามคือโลภะทิฏฐิมานะพระองค์ก็ละหมดแล้วอเนสนาสามการแสวงหาที่ไม่ไม่ดีไม่ถูกเนี่ยนะก็ละหมดแล้วตันหาสามพระองค์ก็ส่งละหมดแล้วกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหา หรือว่าวิปริเยเษ ส, สีนะครับการแสวงหาที่ไม่สมควร4ี่พระองค์ก็ละหมดแล้วคือวิปัสสนานั่นเองนะครับอาสวะสี่พระองค์ก็ละแล้วคันทะสโอฆ่าสโยค่าสอคติสี่ตันหูปาทานสนะครับตันหูปาทานก็คือตันหาที่เป็นตันหาอุปาทานในจีวอนเป็นต้นนะครับตันหุปาทานหมายถึงว่าตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในจีวอนเสนาสนาะยารักษาโรคเป็นต้นนะครับ ครับผมในปัจจัยสี่นั่นเองคือตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในปัจจัย4ี่เรียกว่าตันหูปาทาน4หรือว่าอภินันทะ น, นะครับความเพลิดเพลิน5คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะห้า 5, นั่นเองนะครับหรือว่านิวรหนะ้าการมาฉันทพยาปาททีนมิท้าวิจิกิจฉานะครับอุทะจักกุกุจา่านี่พระองค์ก็ละหมดแล้วเจโตขีละหตะปูตรึงใจ5ประการคือ เช่นความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความสงสัยในศึกษาความที่จิตโกรธในเพื่อนพรหมจารย์อันนี้พง ก, ก็ละหมดแล้วหรือว่าเจตสุวิธิพันธะ์ะเครื่องผูกพันทางใจ5ประการเช่นผู้ยังติดใจในกามยังติดใจในกายยังติดใจในรูปยังชอบกินอิน่มแล้วก็ยินดีในการเอกขนเอก เ, เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าทําบูอะไรนะประพฤติพรหมอาจารย์เพื่อป่าถนาเทพนิกายอย่างใดอย่างหนึ่งพง ก, ก็ละหมดแล้วนะครับ นะอยู่ในเจโตขีรสูตรนะครับอยู่ในเจโตขีลสูตรถ้าจะดูนะหรือวิวาทมูล6นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะก่นแกล้งกันนะหรือว่าอนุสัย7นะครับการมาราคาอนุสัยเป็นต้นมิฉตะ8มิชฉาทิฐิเป็นต้นพงก็ละหมดแล้วหรืออาคาตะวัตถูกกว่าโอ้ยคนโน้นเคยด่าเราเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้พงก็ละหมดแล้วตันหามูลกา9เพราะอาศัยตันหาทําให้เกิดการสแสวงหาเป็นต้นนี้พงก็ละ หมดแล้วหรืออกุศลกรรมบทสิบนะครับปาณาติบาตเป็นต้นก็ละหมดแล้วการสแสวงหาที่ไม่ชอบทำยี่สเรียกว่าอาเนสนา21ก็ละทิฏฐิหกสิบสอก็ละหมดตันหาวิปริตร้อยแปดเป็นต้นก็ละหมดพร้อมทั้งวาสนานะครับนี่ถือปหาตประธรรมนะเอาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หนึ่งมาจนถึงร้อยแปดเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้ายังละข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นไม่ได้หาไม่พบนะครับพอละได้หมดเกลี้ยงเลยนะ เพราะใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะคัดค้านพระองค์ได้โดยชอบธรรมว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้พระ อ, องคอ์ยังละไม่ได้หรือยังไม่ได้ละเพราะละหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะครับเราฟังแล้วทีนะยังเกิดเลยฮาวเลยฟอดฟอดนะครับพ่ อ, อยังละกิเลสไม่ได้ไอ้กิเลสพันหเนี่ยเขารวมตัณหาหนึร้อด้วยหรือเปล่าครับก็รวมด้วยนะครับอ๋อแล้วทำไมมีจำนวนว่ากิเลสพันหตัณหาหนึร้อยแปอะไรเงี้ย เลสโวหารใช่ใโดยสำนวนแต่ก็มีวิธีคำนวณอยู่นะครับ mm hmm. เขาก็มีวิธีคำนวณว่ากิเลสพันหมีได้ยังไง mm hmm. โคนลนัยกับตรงนี้นะครับไ ม, มไม่เหมือนกันคนลนัยครับข้ <comunque odd. S 2> อควานี้เป็ของอัตถะธาตุนะอัตถกธาท่านมาเรียบเรียงให้เห็นนะครับคือคือหมายถึงว่าอ่านแล้วก็เอาคนาท่านเรียบเรีย ง, ง, งให้เงี้ยเอาไว้ให้ดูตรวจสอบพระพุทธเจ้าดูซิว่าท่านดีจริงขนาดนี้หรือเปล่าว่างั้นเถอะนะเป็นตัวนั่นเองนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ไ ม, ไม่ตรัสนะพระองค์ก็ตรัสนะแนวนี้พระองค์ก็ตรัสถามว่าดูได้ที่ไหนดูได้ในคุถกะวัตถุนะครับใ น, ในคุถกะวิพังนะครับในคัมภีรวิพัง์อนะอันเรียบเรียงตามอภิธรรมนะครับเพราะว่าโดยธรรมดาเราเรียบเรียงเองไม่ได้แล้วต้องอาศัยแนวของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นะครับจึงมาเรียบเรียงได้ อ, อ่าเล่มเจ็สิบแปดนะครับอภิธรรมวิพังค์นะครับไปอ่านนูครับโอ้โเรียบเรียงเรื่องกิเลสนี่นะครับกิเลสทั้งนั้นเลยนะ ว่าอะไรจะบาปมากมายขนาดนั้นฟังแล้วก็ห้าวเลยนะครับโหบาปขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเครื่องพูกเครื่องพันเครื่องร้อยเครื่องรัฐมันมหาศาลขนาดนี้นะครับนี่ก็เรียนเยอะนี่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยรู้นะแล้วเราจะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าพระองค์ละอะไรได้บ้างพระองค์ดียังไงอ้พระพุทธเจ้าดีดีถามว่าดียังไงก็ดีอ่ะดีอ่ะดีดีดีดีใช้ได้แลนะนะนะ มันเราเวลาจะสวดอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระครวาเนี่ยถ้านึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะเราก็ว่าแต่เสียงอะก็ดีกว่าว่าอย่างอื่นอย่างนั้นเถอะต่อไปนะอันตรา ย, ยิกฐธรรมวาฏทะวังนั้นธรรมะที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุฌานมรรคผลนิพพานเป็นต้น น, นะนะก็ธรรมะเหล่าใดามีประเภทเหล่านี้คือนะครับหนึ่งกรรมหมายถึงอนันตริยกรรมห้าสองวิบากผู้ปฏิปฏิสนที่ด้วยอเหตุ ก, กะเทวิเหตุตกะเนี่ยนะหรือว่ากิเลสคือนิยตมิจฉาทิฏฐินะครับ หรืออุปวาทะการว่าร้ายพระอริยะอานาวีติกมะการละเมิดพระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะให้ผลนำลําดับนะให้ผลในลําดับนะครับอาจให้ผลตามลําดับโดยส่วนเดียวแก่ผู้ซ่องเสพธรรมะเหล่านั้นได้ทีเดียวเพราะใครๆก็ไม่สามารถคัดค้านว่าเออเนี่ยนะทั้ง5ประการเนี่ยเป็นเครื่องกั้นต่อมักนะเป็นเครื่องกั้นต่อฌานนะใครบอกว่าไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่นะเป็นเครื่องกั้นจริงๆ เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันแล้วมาทําฌานได้ยังไงไม่ได้อยู่แล้วถ้าปฏิสนธิด้วยเหตุกุกะทวิเหตุกุกะก็ทําฌานไม่ได้นะถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิติก็ทําฌานไม่ได้อุปะวะทะการว่าร้ายพระอริยะก็ไม่สามารถทําฌานได้นะครับหรือว่าล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติก็ไม่สามารถทําฌานให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะมันกางกันนะมันกางกันต่อการบรรลุธรรมเนี่ยนะเรียกว่าอันตรายยกระทำนะ อันตรายยิ่งกระทำแล้วบางอย่างในนี้เช่นอนันติยกรรมนี้ให้ผลในลําดับนะนะครับให้ผลในลําดับไหมว่าตายแล้วตกนรกแน่นอนเป็นต้นนะครับอันสิ่งที่พระองค์ตัดเหล่านี้เนี่ยเป็นความจริงแท้ซึ่งไม่มีใครคัดค้านได้ไม่ว่าจะเป็นมารเทวดาพรหมเป็นต้นนะครับต่อไปนะว่านิยานิกรรมเทศนานะครับธรรมะที่เป็นเครื่องออกจากทุกนะครับก็นิยานิกระทำอันยอดเยี่ยมหมายถึงโพธิปัจจยธรรมนะครับมีอริยมัต เป็นตัวนํามี37ประเภทมี7หมวด7หมวดคืออะไรบ้างครับหนึ่งสติปทานสีส ม, มปาปทานสีอิทธบาทสีอินทรียห้าพล่าหา้าโพชฌงเจ็อริยมรคมีองค์แมี7หมวดนะครับในธรรมะเ็หมวดแบ่งออกโดยประเภทเป็น37ประเภทเป็นที่รวมของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดเหล่านั้นนะครับเป็นเหตุสลัดออกจากวัฏทุกข์ได้เด็ดขาดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นนะ ย่อมนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้โดยแท้จริงทีเดียวนะครับคําสอนเหล่านี้นะคือหมายความว่าปีดกสามเนี่ยสอนให้สัตว์ออกจากทุกได้จริงๆย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากวัตรทุกข์ได้โดยแท้จริงใครๆไม่ว่าจะเป็นสัมณะหรือพรามณ์เป็นต้นเนี่ยนะที่จะมาคัดค้านพระองค์เนี่ยนะคือไม่สามารถคัดค้านเลยว่าคัดค้านโดยชอบธรรมว่าโอ้โหที่พระองค์แสดงเนี่ยว่าออกจากทุกไม่สามารถออกจากทุกได้จริงเนี่ยค้านไม่ได้จริงๆนะครับ สมมติว่าผมจะศึกษาเฉพาะปิดกใดปีตรงหนึ่งเนี่ยผมจะออกจากทุกได้ไหมครัเนี่ยศึกษาให้มันแตกฉานไปเลยอย่างเช่นผมจะเอาเฉพาะอภิธรรมอย่างเดียวละแน่ใจนะครับถ้าแน่ใจก็ไม่น่ามีปัญหานะครับโดยเฉพาะชาณวิพังเนี่ยกล่าวถึงปาติโมกเป็นต้นด้วยนะครับอภิธรรมปิดกโดยเฉพาะชาณวิพัง์นะครับกล่าวถึงปาติโมกสังวรศีลเป็นต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแตกฉานนะครับคุณทัก ชานวิพังเป็นต้นหรือสิกขาบทวิพังนะถ้าไม่เรียนวินัยก็ยากที่จะรู้ได้เหมือนกันนะเนี่ยน ะ, นะเพราะอะไรครับเพราะว่าชานวิพังหรือสิกขาบทวิพังเนี่ยนะครับในคำภีวิพังเนี่ยนะก็กล่าวถึงพระวินัยไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะพระสูตรนะครับก็มีก็อยู่ทั่วทวไปอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเรียนอนภะิธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนะถ้าไม่อ่านพระสูตรเป็นต้นถามว่าเอาอะไรมาแสดงนะครับ เพราะว่าพิธามีแต่เนื้อหาอย่างเดียวนะครับไม่มีพระเอกอะไรเลยไม่มีตัวอย่างเลยนะครับพระอสาีติสาวกไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาใครมาเป็นตัวอย่างท่า น, นก็พูดแต่ปรมามัดอย่างเดียวสภาวะอย่างเดียวมีแต่ตาหูจมูกเลนกาใจาจิตเจตสิกรูปูปนี่ขันธาตุอรยตนะคือใครคุยกับใค ร, ใครมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับพะฉแต่ก็ขอให้รู้จริงนะครับไม่น่ามีปัญหาว่าถ้ารู้ในปิดกใดปิดกหนึ่งจริงๆก็พ้นทุกได้เพราะว่า ปีดอกสนี่ไม่ขัดกันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับเก้าอี้สามขานะก็ไม่ขัดกันอยู่แล้วนะครับเนั้นว่าในธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆดังที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายจตุการนิบาศนะครับเวสาลัชจูตรนะครับพอไปดูเอาในเวสาลัชยานสี่เหล่านี้นะครับดังกล่าวแล้วเนี่ยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปโดยอาการไม่ผิดแผกคือไม่ ไม่เปลี่ยนแปลงว่างั้นเถอะเชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะรู้ความพิเศษของยานะสำ ม, มาสัมพุทธปฏิญาเนี่ยยานที่รอบรู้สรรพสิ่งหรือการละกิเลสหรือว่าคําเทศนาของพระ อ, องค์ ท, งทั้งที่ว่าอันตรายิกรรมหรือว่านิยานิกรรมเนี่ยนะครับคำสอนของพระ อ, องค์ความรู้ของพระ อ, องค์ทั้งหมดเหล่านี้ไม่ผิดแปลกไม่ไม่เสียหายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้แหละครับเรียกว่าพระองค์ในชื่อว่าตถาคตเพราะมาถึงเวสารชยานเหล่านี้อย่างทองแท้นะครับเป็นของจริงของแท้แน่นอนนะครับเนี่ยนะโอ้ภาษาสดาของเราเนี่ยเจ๋งจริงๆเลยเนาะโอ้ได้นับถือคนดีก็เอาแลวนะนะครับ